มันเป็นภัยที่อยู่ภายในเป็นค่าศึกภายในเป็นโรคภายในเรียกว่าโรคของใจเนี่ยนะก็เลยมันเผาสะใจเนี่ยองอมหมดเลยเรียกว่ากิเลสเผาสะใจเนี่ยอักเสบอยู่ตลอดเวลาอักเสบทางความคิดจิตที่อักเสบไม่สบายใจภายในอยู่ตลอดนั่นแหละเรียกว่ากิเลสกิเลนเป็นภาษาบาลีแปลว่ามันเศร้าหมอง เหมือนกับยอดไม้ที่เอามาหลนเนี่ยนะเอามาลนไฟซะจนเ้าไปหมดชั้นใดใจที่เกลือกกล้ว ด, ด้วยราคะโทสะและให้โมหะก็ฉั้นนั้นเนี่ยนะเผาลนร้อนรล่นกวนก歪แล้วก็สร้างแต่ความเสียหายไม่เคยทำคุณให้เลยเนี่ยนะนะไม่ได้สร้างประโยชน์โลกนี้ไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์โลกหนะ้าไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างยิ่งเลยเนี่ยนะมันบาปประทำทั้งหลายก็คือราคะโทสะแลย โมหะพระองค์กําจัดฆ่าศึกเหล่านั้นได้สําเร็จเสร็จสิ้นใครว่าเป็นผู้ชนะอย่างแท้จริงอย่างที่เท้ามาหาพรมมแต่เรียกพระองค์ว่าข่าแต่พระองค์ผู้ชนะสงครามเนี่ยนะนะผู้ชนะสงครามก็สงครามภายในเนี่ยนะสงครามภายในใจเนี่ยเป็นสงครามที่ชนะยากมากเนี่ยนะถ้าเทียบกับสงครามภายนอกสงครามใจเนี่ยแม่ยุดเยื้อกระหว่าสงครามต่อสู้กับราคะโทสะและ โมหะเพลินโดยมากฆาศึกก็เลยครอบงํามันไม่มีไม่มีความเป็นตัวของตัวเองเลยสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะคืออยู่ภายใต้อํานาจของฆาศึกอยู่ภายใต้ใต้อํานาจของอะโลภ ะ, ะขออภยัยอยู่ภายใต้อํานาจของโลภะโทสะและโมหะเหมือนกับว่าอยู่ภายใต้อํานาจฆาศึกศัตรูอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะคือคือแล้วแต่มันราคามันกระซิบเอางี้สิมันก็เชื่อนะโทสะบอกเอาของงั้นสิเอาอีก โมหะแหมมันโง่นะมันพาโง่แล้วก็ย้อมันดุมดุมดุ ม, ด ม, ดมดุมไปหมดเลยเนี่ยนะมันอยู่ภายใต้อำนาจฆ่าศึกเนี่ยนะชาติชรามรณะทุกแล้วทุกเล่าพบแล้วพบเล่าชาติแล้วชาติเล่าเนี่ยนะน้ําตาเนี่ยนะอย่างคิดดูเราอยู่ภายใต้อำนาจของโทสะเนี่ยนะฆ่าศึกคือโทสะมันเผาเราเ น, นี่ยน้ําตาที่เราเสียใจร้องไห้เสียใจน้ําตาซึมน้ําตาไหลาพากน้ําตาอาบแก้มเนี่ยนะ มันมากกับน้ำทะเลแปลว่าโทสมเผาขนาดไหนเสียใจยเฉพาะกับคนคนเดียวนะสมมติเรามีแม่คนหนึ่งเนี่ยนะร้องให้เพราะแม่คนเดียวเนี่ยนะน้ำตา ม, มากกับน้าทะเลแล้วทุกคนเคยเป็นแม่มาหมดแสดงว่าเราไปร้องให้เพราะทุกคนเนี่ยน้ำตาเท่ากับทะเลแล้วว่างั้นนะไปร้องให้แปลว่าไฟคือโทสะ ม, มันเผาในใจของเราเนี่ย จนน้ำตาเราเนี่ยมากเท่ากับน้ําทะเลเสียใจเพราะค น, นนั้นน้ําตาเท่าทะเลเสียใจเพราะคน น, นี้น้ําตาเท่าทะเลแล้วไปเสียใจกับทุกคนเนี่ยนะน้ําตามันขนาดไหนเพราะว่ามันกลั่นเนี่ยนะเคยเห็นคล้ายๆกับน้ํามันพลายไหมเข้าไปลนก็เอาไฟเทียนยไปหลนคางแล้วก็น้ําก็หยดติ้งติงมาเนี่ยนะเรียกน้ำมันพลายบอกอท่านรู้ได้ไงดูในหนังว่างั้นเขาเล่ามาเพราะงั้น ก็วราชันใดเนี่ยนะใจของเรามันก็ลนเนี่ยลนที่ใจนะั่นน้ำมันไหลออกที่ตาทีย ด, ดูนะไฟเนี่ยมันเผาที่ใจไฟคือราคะเผาที่ใจแล้วมันก็ไหลออกมาที่ตาให้ามันลนภายในเนี่ยนะแม่มันมันระอุมากเลยนะมันดับว่ายากยากนะนะน้ำตาหยดติงต่งติง่ง แล้วก็ซับไว้เธอเนี่ยนะก็น้ามากกับ น, น้ําทะเลมันไปเที่ยวทะเลก็ดูเธอน้ําตาเราขนาดนี้แล้วนะน่นะไปเกิดไปเสียใจกับบางคนเนี่ยนะบอกไม่ต้องไปเป็นห่วงรบคือเสียใจมาเป็นน้ําตาเท่าทะเลแล้วเนี่ยนะอย่าอย่าว่าแค่นี้เลยคอยร้องให้เพราะคนคนเนี้ยน้ําตาเท่าทะเลมาแล้ววะงั้นนะนะประทําใจไว้เลยบางคนเนี่ยไปเสียใจเนี่ยนะเช้ายอมคนหนึ่งก็ไปนั่งสวดมนต์ทาอะไรไรู้น้ําตาไหลนั่นน่ะนั่อันะนังสือสวดมนต์ให้ก็ไม่เอา นะยอมนั่งน้นตาไหอย่างเดียวก็ฟังสวดมนต์ไปพักใหญ่เหกันแล้วก็จากไปนะเขาบอกถ้าสบายใจคนไม่เข้าวัดง่ายๆหรอกเชื่อนะถ้าคนที่กําลังมีอยู่ดีมีสุขเพียบพร้อมสบายแล้วเข้าไปหาพระพุทธเจ้าหายากมีแต่ว่ามันน้อยเต็มทีเนี่ยนะพวกเททั้งเทวดาทั้งมนุษย์อย่าว่ามนุษย์เลยเทวดาก็เหมือนกันเหมือนกันถ้าอยู่ดีมีสุขสุ ข, ส, ขสบายเพียบพร้อม วันนี้มีความสุขจริงๆสวดมนต์ไหว้พระดีกว่าเป็นต้นยากเหมือนกันนะมีแต่ว่ามันน้อยเต็มทีเนี่ยนะน้อยมากเลยนะมันก็ถูกคาศึกภายในเล่นงานซะย่ำยีหมดเลยนะทนะุกแล้วทุกเลากขบอกว่าไฟคือโทรศมันเผาซะน้ำตาไหลเป็นสายเลือดเนี่ยนะนะแล้วไฟคือตันหามันเผาเนี่ยนะนะ รู้ได้ไงากว่าชาติแ <ata> ล้วชาติเ <Until> ล <his birth> ่าชาติแล้วชาติเล่าถ้าตัญหาไม่พาทำกรรมเขาไม่เกิดในโรคร้องถ้าตัญหาไม่พาทำกรรมเขาไม่เกิดเป็นเปรตอสุรกายและเดรชาเราถ้าตัญหาไม่ทาพาทำกรรมเขาจะไม่เกิดเป็นไก่เด็ดขาดนนะเพราะตัญหานั่นแหละนำไปเกิดเป็นไก่ก็เลยถูก ตัวอะไรก็ถูกเชื่อดเนี่ยนะตันหาพาไปเกิดเป็นเป็ดไปเกิดเป็นหานเกิดเป็นหมูเกิดเป็นกุ้งเกิดเป็นห้อยจนถึงมาเกิดเป็นสุนัขเป็นต้นตลอดตันหาพามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะป่าชาแล้วป่าชาเล่าเจริญวัาที่ทั้งเผาบ้างทั้งฝังบ้างอย่างที่พราหมณ์คนหนึ่งก็บอกว่าลูกลูกเอ้ยถ้าลูกจะฝังพ่อนะลูกลูกต้องฝังในที่ที่ไม่เคยมีใครฝังมาก่อนเลยจงเป็นที่ที่บริสุทธิ์จริงๆนะจึงจะเหมาะสมสําหรับพ่อ ที่ไหนอะพ่อบอกนู่น่ะที่เชิงเขาตรงนู่นโอ้ยลูกไม่รู้จักหรอกพ่อพ่อพาไปดูหน่อยลูกจะได้ฝังพ่อถูกเหมือนกันนะหมายว่าเขาฝากฝังอนะฝากศพฝากอะไรเรียบร้อยให้ลูกละพ่อก็พาไปไปดูนี่ลูกตรงนี้นะมันเป็นที่ทําเลดีมากเลยเหมาะที่จะฝังพ่อเมื่อพ่อตายแล้วเอาศพพ่อมาฝังไว้ตรงนี้ที่ตรงนี้บริสุทธิ์จริงๆไม่เคยมีใครฝังมาก่อนเลย น, นะเขาก็ชวนพ่อลูกลงมาจากเขาเพราะพอไปชี้ที่ตำแหน่งให้เด็ดเสร็จแล้วเนี่ยนะก็ลงมาพระพุทธเจ้าก็มาดักรอตรงนั้นบอกไปไหนกันมาก็เล่าให้ฟังอ่ยไปชี้หลุมฝังศพให้ลูกชายเหมือนนบอกลูกชายไว้ ว, ว่าพ่อตายแล้วต้องเอามาฝังตรงนี้นะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าโอ้ยศพท่านศพเดียวก็แปดหมื่นสี่พันศพแล้วเหมือนกันนะไม่ต้องไปศพคนอื่นหรอกนะศพท่านคนเดียวหน้าที่ตรงนั้นอ่ะไม่ต้องพูดถึงศพคนอื่นเหมือนัเถอะนะ ใครไม่เคยแมลงตายในปากบ้างเออหายใจเข้าแมลงหายใจเข้าแมลงเข้าไปตายในจมูกไงนะกระพริบตากระดากระเปิบกระเปิบที่นั้นยังเป็นป่าช้าเลยเนี่ยนะมันจะกล่าวไปลายถึงที่อื่นแนละ้ตามเนื้อตามตัวผิวของเราเนี่ยนะมันตบยุงตายไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะก็จะคาดอยู่ที่ไหนเล่าเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพบมันเป็นตายเกิดกี่พบกี่ชาติพบแล้วพบเล่ากัดตันหาพาทั้งนั้นเลยเนี่ยนะ ปัญหาเนี่ยแหละพาพบพาชาติแต่ที่อย่างเงี้ยนะเพราะอะไรโง่ซะอย่างเดียวอะไรทําไม่ได้มั่งเหรอแปว่าอวิชามันพาปิดปิดทั้งอดีตปิดทั้งอนาคตปิดทั้งอดีตปิดทั้งอนาคตปิดทั้งเหตุปิดทั้งผลปิดทั้งกรรมดีกรรมชั่วมันปกปิดแคกว่ามันเป็นเหมือนกับอะไรนะมันปิดอวิชาี่นจึงเป็นฆ่าศึกศัตรูที่แสนจะร้ายกาจเนี่ยนะเพราะความโง่เขลาอย่างเดียวเลยเนี่ยนะ หลายๆเรื่องนะปัญหาที่เราตามแก้ความทุกข์ความเดือดร้อนที่เราเราตามสะสางเนี่ยโดยมากเกิดจากความไม่รู้ถ้าเรารู้แบบแบบมันมีหลายอย่างะถ้าเราฉลาดเท่าวันนี้เมื่อสาสิปีที่แล้วเราจะทำอะไรนะ เราจะทําวิบัติขนาดนี้ไหมหลายๆอย่างเนี่ยนะที่ไปนั่งเศร้าโศกเสียใจถ้าฉลาดเท่าวันนี้เมื่อสิบปีที่แล้วมเมื่อยี่สิบปีที่แล้วเมื่อสามสิบปีที่แล้วเมื่อสี่สิปีที่แล้วถ้าฉลาดเท่ากับสมมุติอ่ะเอาคิดง่ายๆว่าถ้าหากว่าเราฉลาดอางี้นะถ้าคนนะฉลาดฉลาดเท่าวันนีเน้เมื่อเดือนที่แล้วเมื่อเดือนที่แล้วฉลาดเท่าวันนี้ซื้อหวยถูกเพราะรู้ว่าหวยมันจะออกอะไรใช่ไหม ซื้อหอยถูกยังไงซื้อก็ไม่ผิดเป็นต้นขอให้มันฉลาดมันพวกเราทีนีมน้มันไม่เป็นอย่างนั้นมันก็มีแต่ความโง่เขลานะมันถ้าไม่อาศัยคำสอนเนี่ยยากแต่พระพุทธเจ้าไม่ต้องอาศัยผู้ใดพระองค์ก็กำจัดราคะโทสะและโมหะแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยนะอย่าว่าเลือดตากระเด็นเลยพร้อมกรองเนยนะบอกไม่เหนื่อยจนเลือดตาแทบกระเด็น พระพุทธเจ้าบอกแม้ลูกตากระเด็นไปหลายชาติเนี่ยนะกว่าจะได้มาเนี่ยนะตาเนี่ยกระเด็นไม่รู้กี่ชาติเขอบอกแม้จนน้ำตาไหลเป็นสายเลือดกขาบอกให้เลือดเป็นทานไม่รู้เท่าไหร่แล้วเนี่ยนะอบอกแม้จนเกือบสิ้นชีวิตพ่อบอกสิ้นชีวิตแล้วชีวิตเล่าแม้หัวใจแทบหลุดก็อบอกโอ้โผ่าใจอยากให้เป็นทานไม่รู้กี่ พบแล้วพบเราให้ทานทำบุญกว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้ากว่าจะกําจัดฆ่าศึกเหล่านั้นเมื่อกําจัดฆ่าศึกเสร็จก็ชวนให้ผู้อื่นขจัดฆ่าศึกด้วยเนี่ยนะเพราพระองค์จึงเป็นผ้าอรหันพิเศษเมื่อเป็นผ้าอรหันแล้วให้ผู้อื่นเป็นผ้าอรหันด้วยเนี่ยนะเป็นเพื่ะเป็นผ้าอรหันพิเศษจากการที่พระองค์เป็นผ้าอรหัน์เพียงพระองค์เดียวเนี่ยนะพระองค์พาพระสัตว์อื่นให้เป็นผ้าอรหันเนี่ยหาประมาณไม่ได้ ในพุทธเขตในพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าของเราเช่นในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระสมณโคโดมบางสูตรเนี่ยนะเทวดาและมนุษย์เทวดาบรรลุอรหัตผลแสนโกรอยังไงนะเขาบรรลุกันเป็นแสนโกรเฉพาะอรหัตตผลนะไม่ต้องพูดถึงมรรคผลอื่นๆมางั้นนะพระองค์เนี่ยเป็นผ้าอรหรันต์ชนิดที่เราช่วยให้ผู้อื่นเป็นผ้าอรหันต์อย่างมหาสาลตามปรนิจเจตนารมที่บอก ว, ว่าข้ามแล้วก็จะให้ผู้อื่น ข้ามด้วยปรินิพานคือดับกิเลสแล้วจะให้ผู้อื่นดับด้ว ย, น, ยนะเพราะจึงเป็นผู้กับผู้บริสุทธิ์ยิ่งกว่าบริสุทธิ์ทั้งหลายเนี่ยนะเหนือสุดยอดของผู้ที่บริสุทธิ์เพราะสามารถบริสุทธิ์จนคนเศร้ามองร้องให้มาเนี่ยนะพระองค์ไปให้เป็นพระ้าหันกลับไปร้องให้มาเลยเนี่ยนะงองแงน้ำตาซึมเครียดมาเลยทุกมากกลับบ้านเป็นผ้าหันไปแล้วไง น, นะปรินิพานและเช่นสัน ต, ติมหามาตเนี่ย ร้องให้มาเลยนีนะเมียตายนะนาะงสนมตายสนมก็คือเขาเมียเขานั่นแหละตายเนี่ยโอ้ยเสียใจเกิดมาไม่เคยเสียใจขนาดนี้เลยเสียใจฟูมฟักน้าตาไหลพรากเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็แสดงทำให้ฟังบรรลุเป็นพระชาร์นเลยเนะีนะก็มีคนไม่ใช่น้อยเนะี่ยนะแค่ว่าสภาพที่ไปหาพระพุทธเจ้ามาเด็ดิ ด, ดีอะไรเลยแต่พระพุทธเจ้าช่วยให้เขาพ้นจากทุกเนี่ยนะช่วยให้เขาพ้นจากทุก น, ะนางปตาจาราเนี่ยบ้ามาเลยอ่ะคนบ้า แก้ไขจากคนบ้าเป็นเอตทัคคะด้านพระวินัยแล้วนางปตาจาราสอนคนอื่นบรรลุเยอะๆเลยเนี่ยนะนางมีลูกศิษย์เป็นบริวารเนี่ยประมาณห้าร้อยรูปภิกษุณีเนี่ยนะอยู่ประจำสำนักของนางประมาณห้าร้อยรูปก็ถือว่าเป็นคนที่เรียกว่าพระองค์ช่วยให้เขาไปช่วยต่อๆกันไปเนี่ยนะันการที่การอุบัติเกิดขึ้นของพระองค์ผู้ชนะกิเลสเนี่ยยังชัยชนะเป็นไม่ใช่น้อยให้เกิดขึ้น การเกิดขึ้นของพระองค์ขึ้นมาในโลกเนี่ยนะช่วยให้สัตว์ชนะปานาติบาทเท่าไหร่สัตว์ไม่ต้องฆ่าการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวในโลกเนี่ยนะเว้นจากเจตนาเว้นจากปานาติบาเนี่ยมีปริมาณเท่าไหร่หาที่สุดไม่ได้นะตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบันคนสมาทานศีลปานาติปาตาและไม่ยอมฆ่าสัตว์เนี่ยปริมาณหาไม่ได้เพราฟันพระองค์นี่จึงเกิดมาเพื่อให้ศีลเนี่ยมีอยู่ในโลกเกิดมาเพื่อให้ใจของคนเนี่ย สงบเนี่นะพระองค์จึงเป็นผู้ที่ช่วยให้สัตว์ทั้งหลายได้รับประโยชน์และได้รับความสุขอย่างหาประมาณม่ได้เนี่ยนะช่วยให้สัตว์ทั้งหลายได้รับประโยชน์เกื้อกูลทั้งในปัจจุบันและต่อต่ อ, ตอไปนั่นคือพระอรความเป็นพระอรหันต์ของพระพุทธเจ้านะนะเนี่ยนะเป็นชัยชนะที่เรียกว่าช่วยให้สัตว์อื่นชนะตามหาประมาณไม่ได้เนี่ยนะ นี้ต่อไปอีกเนี่ยพระองค์หักสี่กรรมแห่งสังสาระจักรเนี่ยนะที่บอกว่าพระพุทธเจ้าชื่อว่าเป็นพาตหารเพราะว่าหักสี่กรรมของสังสารจักรไอซี่กรรมตัวนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับตัวส่งคเครียกว่าแรงส่งเครื่องส่งเนี่ยนะเจตนาเนี่ยคือเครื่องส่งที่นําไปเกิดในนรกเจตนาเนี่ยคือตัวส่งให้เกิดในเปรตอสุรกายเดรฉานเจตนานี่แหละเครื่องส่งคือตัวที่ส่งให้ไปสู่ วัตตะทั้งหลายมันพระพุทธเจ้าหักซี่กรรมหักเจตนาเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยนะเาบอกว่าแม้กำลังใดนอจะมีพละกำลังเรี่ยวแรงนะแข็งแรงเท่ากับเจตนาไม่มีเจตนาเนี่ยเป็นตัวที่พระองค์บอกว่ากำลังที่ใหญ่ที่สุดเลยกำลังคือกรรมเนี่ยนะเป็นมารชนิดหนึ่งเรียกว่าพี่สังขารมาร กรรมมาพบตัวนี้นํามาสู่ซึ่งปฏิสนธิวิญญาณกรรมมาพบอันนี้นํามาสู่ชาติพระพุทธเจ้าหักหักเจตนาเนี่ยนะเรียกว่าหักอะไรก็หักไปเถอะนะหักใจนี่มันหักเจตนาเนี่ยหักกายสังเจตนาทําลายกายสันเจตนาทําลายวาจีสันเจตนาทําลายมโนสันเจตนาแปลว่าทําลายกรรมปัจจัย เพราะกรรมในคือเมื่อพระองค์ปฏิบัติจนสําเร็จเป็มท่าหันเนี่ยนะกรรมในอดีต ท, ที่จะให้ผลนําเกิดเป็นต้นต่อไปไม่ให้ผลนําเกิดทั้งๆ ท, ที่อดีตเนี่ยพระองค์ทํากรรมมามหาศาลกรรมเหล่านั้นที่ควรจะนําเกิดในภพสามเป็นต้นกรรมเหล่านั้นพระองค์หักไม่ยอมให้มันให้ผลอีกต่อไปหรือกรรมในชาติที่เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเป็นคนที่ทํากรรมมากทั้งกายกรรมวัจจกรรมและมนโนกรรมอั น, นิกรรมที่เป็นบุญนะ พระองค์งหักกรรมที่เป็นบุญเหล่านั้นไม่ให้มํ น, นำเกิดอีกต่อไปเนี่ยนะันพระองค์งหักซี่กรรมแห่งสังสารจกจเพราะฉะนั้นกรรมในอดีตที่จะ น, นำเกิดสู่พบใหม่ก็ไม่มีสำหรับพระองค์กรรมในปัจจุบันที่นำไปสู่พบใหม่ก็ไม่มีสำหรับพระองค์เพราะพระองค์งหักซี่กรรมแห่งสังสารจเนี่ยนะเพราะอะไรใช่อะไรใช้อะไรหักซี่กรรมใช้ขวานคือโสดาปฏิมัคค ป, ปัญญา ทํนะทำลายกรรมที่นำไปสู่นรกเปรตอสุรากายเดรฉานอันะทำลายกรรมที่นำไปสู่ภพที่แดเป็นต้นเนี่ยนะสกะทาคามิมัคคปัญญาเนี่ยนะที่เป็นเช่นกับศาสตราเนี่ยพระองค์ก็หักสี่กรรมที่จะนำให้มาเกิดในภพที่สองเป็นต้นอนาคามิมัคคเจตอาอนาคามีมัคคปัญญาของพระองค์ที่เป็นเช่นกับศาสตราเนี่ยนะพระองค์ก็ฟาดฟันทาให้เจตนากรรมที่นำเกิดในกรรมมาพบเนี่ย ทำลายออกไปแล้วเจตนาเหล่าใดที่นําไปสู่พบทุกพบเนี่ยพระองค์ก็หักด้วยอรหัตตมัคขปัญญาเนี่ยนะอรหัตตมัคของปัญญาเนี่ยพระองค์จึงทําลายเจตนากรรมได้เสร็จสิ้นแล้วเจตนากรรมอันนั้นที่นําไปสู่พบสามกำเนิดสี่คติหวิญญาณที่ตีเจดสัตตวาเก้าเนี่ยอรหัตอสดาปฏิมัคสกธาคามิมักอนาคามิมักอรหัตตมัคขปัญญาเนี่ยหักอย่างไม่มีส่วนเหลือ